ก็กลับมาพบกับท่านบุฟังอีกวานละหนึ่งเวลามาพบกันนั้นเพื่อที่จะให้ทราบข้อมูลสิ่งที่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าบุคคล น, นี้คือคนที่บอกสอนข้อมูลไว้เนี่ยและบอกสอนเอาไว้อย่างดีมีการทำการตรวจสอบวิจัยใคล้ครวนสิ่งที่ได้ค้นพบแต่แล้วก็มีความเคารพในธรรมะ ม, มากเอามาบอกมาสอน ก็เพื่อที่จะให้บุคคลที่ปฏิบัติตามรู้ตามแต่ได้เกิดประโยชน์อย่างที่ตัวท่านได้เคยทํามารู้มาโดยในการบอกสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็อาศัยบุคคลที่มีศรัทธาบุคคลที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยพอที่จะรู้ตามพอที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นคําสอนของพระองค์ได้ในการบอกสอนนี้ก็โดยการสื่อสารทางเสียง สมัยก่อนไม่ได้มีการจดบันทึกไม่ได้มีการลงอักษรแต่ว่าอาจจะมีแต่ว่าคเครื่องมือคเครื่องหม้เนี่ยมันมันไม่ได้ถาวรไม่ได้จะมีความมั่นคงแน่นอนัจะจ ะ, จะเปรยียบเทียบกับความจําของมนุษย์แต่ความจําอาจจะแน่นอนกว่าแต่ก็หมายความว่าอุปกรณ์คณเครื่องเขียนกระดาษเอกาสารดินสอพวกนี้มันมันไม่มีก็ต้องอาศัยการจดจําเอาซึ่งการจดจำนั้นก็ ผ่านทางสื่อทางเสียงผ่านทางการเห็นด้วยตาเพราะฉะนั้นเครื่องมือการเรียนด้วยตาด้วยการมองเครื่องมือการเรียนด้วยผ่านเสียงทางหูเนี่ยจึงเป็นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญในสมัยนั้นซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าสุดตะแต่คือการฟังคําสอนเพราะฉะนั้นหน้าที่อันหนึ่งของพระสงฆ์หน้าที่มีต่อฆราวาสหรือบคุคคลทั่วไปเนี่ยก็คือการให้ได้ฟังให้ได้ฟังสิ่ง ที่ยังไม่เคยได้ฟังซึ่งการฟังการเอามาให้ฟังเนี่ยก็คือเรื่องของสุดตาเนี่ยการสั่งสมความรู้การเรียนการเรียนการสั่งสมความรู้นี้ก็ผ่านทางเรื่องของประสูทธ์เดีประสุทธ์ก็คือเรื่องราวที่บุญชาได้เล่าเอาไว้บอกเอาไว้สอนเอาไว้การเล่าการบอกการสอนของพระองค์นั้นบางทีก็เป็นบทสนทนาะระหว่างพราหมณ์บ้างระหว่างกษัตริย์บ้างระหว่างภิกษุ ด, ด้วยกันบ้าง หรือว่าเป็นคาถาที่อยู่ๆก็อุทานขึ้นมารูปเดียวองค์เดียวหรือว่าบางทีก็เป็นเรื่องเล่าให้ฟังและเล่าให้ฟังว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นยังไงเป็นเรื่องราวในอดีตบ้างอะไรบ้างและซึ่งเขาก็รวบรวมกันมาแต่เขานี้ก็คือหมายถึงภิกษุรุ่นพี่ๆที่ได้ฟังคําสอนต่างๆเหล่านั้นแล้วแล้วก็รวบรวมคําสอนเหล่านั้นเอาไว้จําไว้จําไว้แล้วก็บันทึกมา จดจมาไว้พอมีเทคโนโลยีในการพิมพ์การเขียนการที่จะลง อ, อักษรจารึกได้มีเทคนิคต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นเนี่ยเริ่มพอที่จะให้ใหการเขียนการบันทึกแล้วมันจะคงอยู่ได้นานเนี่ยก็เลยเริ่มมีการลง อ, อ, กอักษรมีการบันทึกแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ผ่านการเวลามาเป็นหลายพันปีแต่เราได้เห็นประไายบิดกอยู่ทุกวันนี้ก่อนหน้านั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นในตำมวัาาง กว่าจะจดบันทึกขึ้นลงมาในใบลานข้ามน้ําข้ามทะเลบางคนก็ต้องฝ่าฟันบ้องกันไม่ให้มันถูกไฟไหม้บ้างไม่ให้ถูกปลวกกินบ้างบางคนจะเผาทําลายบางคนจะผ่านด่านกักกันอะไรต่างๆก็แบคกคัมภี์กันมาโดยเฉพาะยิง่งตรงช่วงที่สมัยที่มีธรรมทูตเนี่ยเขาก็แบคกคำภีร์บ่งบอกคําสอนอะไรต่างๆที่สําคัญสําคัญก็ ก, ก็นํากันมาผ่านกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่น ในเราได้ศึกษาเราได้ข้อมูลต่างๆเหล่า น, นี้มาแล้วก็ศึกษาทําความเข้าใจศึกษาทําทความเข้าใจแล้วเพื่อที่จะให้เกิดความแจ่มแจ้งความแจ่มแจ้งที่จะเกิดขึ้นนั้ น, <boarding S 1> นก็นนน เ, เป็นเรื่องของการที่เราพยายามทําความเข้าใจนั่นเองแล้วก็เป็นหน้าที่อย่างที่สองสำหรับพระสงฆ์ที่จะทําความเข้าใจความแจ่มแจ้งนั้นให้มันถึงที่สุดคือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุด สิ่งที่ได้ฟังทำความแจมแจ้งให้มากขึ้นถึงที่สุดแ ล, แล้วเราจะมีความเข้าใจในธรรมะแตนะ่เข้าใจนี้ไม่ใช่เข้าใจในสมองละต้องหั ง, งเข้าใจในหมายถึงเข้าไปในใจแลนะเข้าไปตั้งอยู่เข้าไปนั่งอยู่ในใจใวนะใจเราก็จะมีธรรมะชุ่มเย็นเอิบอิ่มอยู่ข้างในพอิตใจมีธรรมะรู้แล้วอะไรต่างๆแล้วแล้วก็มีความเย็นใจสบายใจนะเป็นอานาจของธรรมะที่จะครอบคลุมคุ้มครอง และบุคคลพูดนั้นได้โดยขาพเจ้านั้นมาทําหน้าที่ในการที่จะให้ท่านฟังได้ฟังพระสูตรเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็จะนําพระสูตรมาอ่านให้ทั้งผู้ฟังฟังก็จะมาอธิบายขยายความในเป็นสองวันที่โดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่ก็จะมาคู่กันก็จะเอาพระ ส, สูตรนั้นพระสูตรนี้ที่มีอยู่ในคัมภีร์ต่างๆข้าพเจ้าขอเน้นท่านฟังว่าเราเกิดเป็นคนพูดเกิดเป็นคนที่มาฟังคําสอนของพุทธะเนี่ย ขอให้ไปอ่านเรื่องราวที่เป็นบทเพียนชนะของข้าพเจ้าแต่ก็ อ, อย่ามาเอาแต่ว่าให้ข้าพเจ้าย่อยให้ฟังให้ข้าพเจ้าอ่านให้ฟังให้ข้าพเจ้าพูดให้ฟังให้ข้าพเจ้าอาธิบายให้ฟังมันไม่ใช่ศ า, า, าสนาของข้าพเจ้านะเนี่ยมันเป็นศาสนาของพุทธะแนะพุทธเนี่ยเป็นผู้รู้ดูเห็นแล้วดังนั้นการที่เราจะกลับไปที่ตัวแม่บทตัวคําสอนของพุทธให้เป็นเรื่องสําคัญอันนี้ต้องย้ํากันอีกครั้งหนี่ว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอย่าเอาง่ายๆ อย่าเอาง่ายๆกินง่ายๆเนี่ยบางทีมันไม่อร่อยเดี๋ยวจะกินให้อร่อยมันบางทีต้องมีกระบวนการมีท่าทางนิดหนึ่งพระเจ้าพูดถึงการที่จะบรรลุทำอันเลื่ได้เนี่ยก็ด้วยการกระตัมบรรเลิศแล้วเราพยายามที่จะเข้าถึงคําสอนของพุทธะโดยทั้งบทโดยทั้งพยัญชนะผ่านการด้วยการไปศึกษาเองอ่านเองเอตอตรงไหนไม่เข้าใจก็มาพูดคุยกันถามกันหรือว่าฟังคําอธิบายกันอันนี้จะดีแต่ว่าอย่าไปอ่อนแอแบบว่า คิดทอถอยคิดไม่ศึกษาแล้วก็จะฟังแต่กูบาอาจารย์องค์นั้นองนี้มันก็จะขาดทุนนะว่างั้นเถอะนะจะไม่ได้กําไรเต็มที่แต่เราจะได้กําไรเต็มที่เรากลับไปที่ตัวแม่บท่นะไปที่คําสอนของพุทธะทําความเข้าใจตรงนั้นมีตรงไหนไม่เข้าใจข้องใจเอามาฟังคําอธิบายอันนี้สามารถทําได้แต่เป็นเรื่องที่ดีด้วยมันก็จะสามารถเปิดตำที่ปิดอยู่ทําความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่ยังไม่เข้าใจให้จแจ้งมากขึ้นแล้วก็คลายความสงสัยมีประการต่างๆ จิตจขงเราก็จะมีความมั่นใจมีความลงใจกลายความเห็นแยง้งมีความแจ่มใสนั่นเองพระสูตรที่เราได้พูดกันถึงเมื่อวานนี้ก็เป็นพระสูตรที่มาในมันชฌิมานิกายแต่เป็นเรื่องที่ขนาดกลางๆพอที่จะมาอ่านให้ท่านผู้ฟังจบแนวราครึ่งชั่วโมงได้แต่เป็นพระสูตรที่เรียกว่ามหาทุกขกขันธสูตรมหาทุกขกขันธสูตรนี้ก็คือขันธ์ก็คือกองนตะ่ทุกขก็คือกองทุกนั่นเองอันยิ่งใหญ่ ว่าด้วยกองทุกอันยิ่งใหญ่นะทุกนี่มันยิ่งใหญ่มากมีรายละเอียดต่างๆนะซึ่งเรื่องราวที่ดําเนินไปตอนนั้นก็คือว่ามีหมู่พิกษุกลุ่มหนึ่งเขาก็จะไปบินตบาดแต่ว่าปรากฏว่าเช้าเกินไป ต, ตอนที่จะเข้าไปในเมืองเพื่อบินตบาดเนี่ยก็เลยไปแวะพักที่อารามของพวกนักบวชในคําสอนอื่นๆเราจะเห็นได้ว่านักบวช ท, ที่คําสอนอื่นๆเขาก็เอเื้อเฟื้อเกือ้อกูลกันนะพวกนักบวชก็จะไปสู่สํานักของพวกนักบวชด้วยกัน ไหนจะเป็นศาสนาไหนคําสอนใดเขาก็ต้อนรับแต่เพราะว่าถือว่ามีการเลี้ยงชีพแบบเดียวกันก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็ธรรมดาในนี้เป็นเรื่องที่ดีอาจจะมีการไม่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องความเห็นบ้างในเรื่องของความเป็นอยู่นั้นก็เกื้อกูลกันแต่พวกที่ดีก็มีพวกที่ไม่ดีก็มีก็เหมือนสมัยปัจจุบันในสมัยนั้นเขาก็มีการเอื้อเฟื้อกันในลักษณะนี้บ้างแล้วก็จะเห็นได้ว่าแม้แต่กษัตริย์ในกษัตริย์อย่างพระเจ้าประสิเนโกสนเนี่ยนับถือคําสอนของพุทธะแน่นอนใช่ไหม แต่ว่าก็ยังเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเรื่องที่พักอะไรต่างๆให้กับนังบวชในคําสอนอื่นๆนในคําสอนอื่นๆอย่างเช่นพวกปริปาชคอัญญเดรธิรติอื่นเนี่ยก็ยังมีอารามที่พระนางมริกาเอื้อเฟื้อให้อยู่ให้พักน่นก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้ไป น, นับถือคําสอนของเขาอะนะไม่นับถือคําสอนของพุทธะนี่ก็เหมือนอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่ยแหล ะ, ะตัวตนเองก็เป็นพุทธมามะกะแต่ก็ผู้ที่นับถือคําสอนของพุทธะเคยบวชเรียนด้วย แต่ว่าก็ให้การอุปถัมภ์สนับสนุนในคําสอนนื่นๆก็เอื้อเฟือเครือกูลกันอย่างนี้ทีนี้ว่าระหว่างที่ไปตรงนั้นก็ได้มีโอกาสสอบถามกันใ น, นพวกอิเตระทีเขาก็ถามถึงเรื่องอยู่3มเรื่องแล้วก็คือเรื่องของกามเรื่องของรูปแล้วก็เรื่องของเวทนานากามรูปเวทนา3มอย่างเนี้ยเป็นกองทุกข์ทั้งนั้นในสามอย่างนี้เป็นกองทุกข์ทั้งนั้น แต่พวกเดรติ น, นี่ยเขาก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันต่างกันยังไงอะ่ะก็ในเมื่อพวกฉันนี่ก็บัญญัติเรื่องอการเรื่องรูปและก็เรื่องเวทนาพระพุทธเจ้าก็อธิบายบัญญัติเอาไว้ว่าการเป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ฉันก็พูดเหมือนกันแต่ฉันก็บัญญัติเหมือนกันคําว่าบัญญัตินี่ก็หมายถึงมีการอธิบายมีการพูดถึงมีการแจกแจงแยกแยะทําให้เกิดความเข้าใจนั่นคือให้นิยามมาไว้ว่างนั้นนี้ก็คงจะประกอบด้วยกับการที่ว่าช่วงนั้นเนี่ยก็เวลาน้อยเพราะว่า ต้องไปบินดาบาัดใช่ไหมพี่สดเหล่านั้นก็ฟังฟังไว้ก็ไม่ได้เถียงอะไรไม่ได้คัดค้างไม่ได้ยอมรับแต่ด้วยทําความในใจว่าเออเจอจะมาถามพระพุทธเจ้าดีกว่าหลังจากสรรเสร็จเรียบร้อยพอฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ทําอย่างที่ตัวเองคิดโดยการเข้าไปหาพระพุทธเจ้าสอบถามเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ธรรมะสามอย่างท่นผู้ฟังอย่าที่เราพูดถึงในที่นี้ก็คือเรื่องของกามนะกามคืออะไรก่อนนะกามนั้นก็คือความกําหนัดเพลิดเพลินลุ่มหลง นีการเนี่ยมันจะต้องแบ่งเป็นสส่วนนะเพื่อให้ทําความกระจใางชัดเจนนะคือส่วนที่เป็นกามะคุณส่วนที่เป็นวัตถุกรรมแล้วก็ส่วนที่เป็นกิเลสกรรมนะวัตถุการมคือวัตถุที่จะทําให้เกิดความลุ่มหลงได้นั่นะคือสิ่งภายนอกทั้งหมดที่ผ่านมาทางตาทางหูจ ม, มูกลิ้นหรือกาย5อย่างนะอะไรก็ตามที่ผ่านมาทางสิ่งอวัยะนะ5อย่างนี้นะก็เรียกว่าเป็นวัตถุกรรมทั้งสิ้นผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเหนี่ยวนาโน้มนําให้เกิดก็เรียกว่า กามขึ้นในใจได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารับรู้สัมผัสภายนอกไม่ว่าจะเป็นของหยาบของละเอียดเลวประีตซามหรือว่าดีมีในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเนะ่เป็นไปในที่ไกลหรือที่ใกล้ทั้งหมดเลยเนะ่เป็นวัตถุที่สามารถจะเหนี่ยวนําให้เกิดความลุ่มหลงความกำหนัดความรึงรัดในจิตของเราได้ไอ้เจ้ากามหรือว่าความรึงรัด ความกำหนัดลุ่มหลงที่เกิดขึ้นในจิตนี่แหละก็เรียกว่ากิเลสกรรมนี่คือส่วนที่สองในกิเลสกรรมก็อันหนึ่งเกิดขึ้นในใจวัตถุกรรมแล้วก็อันหนึ่งที่อยู่ภายนอกวัตถุกรารมหรือว่าเจ้ากรมคุณทั้งหา น, นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกทำไมถึงมีคําว่ากามอยู่กับวัตถุแต่เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความลุ่มหลงแต่มันเป็นวัตถุที่อยู่ภายนอกบางทีสาหรับบางคนะมีวัตถุกรรมที่ปรนะนีตวัตถุกรมที่ประณีตเช่นคนที่มีบ้าน หลังตัวโตวมีรถดีๆมีเงินมากนะคุณมีวัตถุ ก, กรรมที่ดีแต่ก็อาจจะไม่ได้มีกิเลสกรรมเกิดขึ้นในภายในก็ได้นะมีอยู่อาจจะมีอยู่แต่ว่าไม่มากอันนี้ก็มีในทางตรงข้ามแตนะ่วัตถุ ก, กรรมของบางคนอาจจะไม่ได้ละเอียดประณีตบ้านก็ไม่ได้ใหญ่โตเงินก็ไม่ได้มีมากแต่ว่ายังมีความลุ่มหลงอยู่ในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีนั่นแหละแต่บางสิ่งอยากมีแต่ไม่มีไม่มีก็ยังลุ่มหลงได้ แต่เพราะเปลียนแต่ไปคิดถึงมันก็ลุ่มหลงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นกิลเลสกรรมและก็วัตถุกรรมนี่ก็แยกกันไปแต่สิ่งที่พระเช้าพูดถึงในที่นี้คือคําว่ากรรมเฉยๆซึ่งหมายถึงกิลเลสกา ร, รมนั่นเองคือความกําหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินโมเมาที่อยู่ในใจแต่ถ้ามันอยู่ในใจนี่แหละคือสิ่งที่เรากําลังพูดถึงกันที น, นี้พระเช้าได้พูดถึงเรื่องของกรรมด้วยพูดถึงเรื่องของรูปด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องของเวทนาด้วยแต่ทาไมถึงพูด3ามอย่างนี้ก็เพราะว่า พวกปริพาชคเนี่ยเขาพูด3เรื่องนี้เดบุรุษเจ้าก็เลยขยายความเพิ่มเติมว่าไอ้สอย่างเนี้ยถ้าเผื่อว่าจะอธิบายขยายความชนิดที่เรียกว่าบัญญัติให้มันลึกซึ้งลงไปเนี่ยถึงระดับที่ว่าเขาจะไม่รู้ตอบไม่ได้ก็มีหรือพวกปริภาชคอะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็มีการบัญญัติซ้ํากันกับของบุรุษเจ้าก็มีหรือบางทีบุรุษเจ้าก็ไปบัญญัติซ้ํากันกับของพวกปรามของพวกปริพาชคอื่นๆก็มีแต่อย่างคำว่าอารหันต์อย่างเงี้ยคำว่าอารหันต์นี้ก็มีมาตั้งแต่ ก่อนว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ได้ซ้ําหรือว่าคําว่าภิกษุอย่างนี้เดีวก็มีมาตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เดี๋ยวยึคำเบือนๆอย่างเช่นว่านิพพานอย่างนี้เป็นต้นเดีนิพานก็มีมาก่อนแล้วแต่นี้การบัญญัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเดีมีความรัดกุมรอบคอบชัดเจนทั้งในนิยามแต่ความหมายของมันทั้งในเรื่องวิธีการที่จะไปถึงได้เพราะนั้นของพระพุทธเจ้าเดี๋ยจึงมีรายละเอียดที่เฉียบคมกว่าแลีวซึ่งบางทีก็คุยกันอย่างนี้แหละ พิสูจน์ทั้งหลายก็คุยกันกับพวกบริบาชน์ของเธอเป็นยังไงแต่ของฉันเป็นยังไงแต่ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างศาสนากับศาสดาเปรียบเทียบกันระหว่างคําสอนกับคําสอนเปรียบเทียบกันระหว่างสาวกกับสาวกจะรู้ว่าของใครมันดีกว่าใครนี่บางทีเขาก็คุยกันอย่างนี้แลซึ่งในกรณีนี้เรากําลังเปรียบเทียบเรื่องของคําสอนกับคําสอนคําสอนเรื่องการว่ายังไงคําสอนเรื่องรูปเอาว่ายังไงคําสอนเรื่องเวทนาว่ายังไง ที่พูดสามเรื่องนี้นะเพราะว่าเขาชงมาอย่างนี้แต่เวลาที่พระเจ้าบัญญัติธรรมะเนี่ยจะรอบครอบกว่านี้มากนะเรื่องกามก็ไปอยู่ในเรื่องของตัณหานะเวทนากับรูปก็จะมีอยู่เรื่องของทุกในะในส่วนที่เป็นขันธ์ทั้ง5้าแต่เขาชงม า, างนี้อ้าวก็ทําความชี้แจงกันให้ลึกซึ้งลงไปละว่าการเปรียบเทียบด้วยธรรมะกับธรรมะเนี่ยนะถ้าพูดถึงเรื่องของการนะก็จะต้องเข้าใจอย่างน้อย3มอย่างนะคือตัวมันเป็นยังไงอันนี้เราพูดถึงละแล้วก็รสอร่อยของมันมีไหม แล้วโทษของมันเป็นอย่างไรแล้วก็วิธีการที่จะหลุดออกจากมันอุบายในการนําออกจากสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่นะซึ่งเราต้องเข้าใจใน3แงม่มุมนะของเรื่องของกางสาแง่มุมในเรื่องของรูป3แง่มุมในเรื่องของเวทนาซึ่งแต่ละอันจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจเต็มหวังแตนะ่เพราะว่าสามเรื่องนี้เป็นทั้งจะพูดยังไงคือข้อดีนะคือรสอร่อยนะข้อเสียนะคือโทษของมันแล้ววิธีที่จะทําให้ข้อเสียนั้นน่ยมันหายไป น่ยอนี้ก็มีวิธีการอยู่แต่วิธีการในการที่จะทําให้เราพ้นจากสิ่งที่มันเป็นทุกข์ตรงนั้นน่ยก็มีกระบวนการเพราะฉะนั้นคําสอนของพระเจ้าจึงมีการรัดคุมแล้วเรามาดูในรายละเอียดตรงนี้ตหวังที่พูดถึงว่าข้อดีของมันแต่จะพูดถึงข้อดีก็คือรสอร่อยของมันนั่นแหละว่ามันก็จะนําความสุ ข, ค ว, สขความโสมนัสบางอย่างนํามาให้ได้นะ่ะอาศัยการมมคูณ5เนี่ยความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูบางคนกินอาหารอร่อย บางคนได้ไปอยู่ที่ที่มันดีๆมีความสวยงามได้สัมผัสอะไรที่มันมีความสุขใจเย็นใจสบายใจอันนั้นก็จะทําความสุขให้เกิดขึ้นได้นะพระเจ้าก็ไม่เถียงว่ามันมันไม่มีข้อดีนะมันก็มีข้อดีที่ว่าจะนําความสุขเหล่านี้มานี่คือเรียกว่ารสอร่อยของกามทั้งหลายนวะรูปก็เหมือนกันแนวะรูปเราเห็นรูปใดใดสวยๆเป็นเพศตรงข้ามในในที่นี้พระเจ้าพูดถึงรูปของผู้หญิงในะที่มีความสวยมีผิวพรรณงาม ไม่อ้วนนักไม่ผอมนักเออมันก็ทําความดีใจความสุขให้เกิดจากทางตาเนนิดหนึ่งตรงนั้นเรื่องของเวทนาอันนี้น่าสนใจแตเพราะว่าเวทนาที่ยกขึ้นในที่เนี้ยหมายถึงความสุขเวทนาน่นยที่เกิดจากสมาธิทั้งสี่ขั้นแต่ความสุขเวทนาที่เกิดจากสมาธิทั้งสี่ขั้นเนี่ยเป็นผลของการที่ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นสิ่งที่ดีนะเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ย เป็นเวทนาอย่างละเอียดแต่คือบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ถ้าเรากินอาหารอาา ร, อาารอ่อยๆนั่นก็น่าจะเป็นเวทนาอย่างหนึ่งแตถูกต้องอันนั้นก็เป็นเวทนาที่เกิดขึ้นหนังลิ้นแต่มันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของกามไงพระพุทธเจ้าจึงอธิบายเรื่องของกามไปแล้วทีนี้ที่อธิบายตรงเวทนาตรงนี้เป็นเวทนาที่ละเอียดลงไปนอกจากเรื่องของกามนั่นคือเรื่องของสมาธิแต่เพราว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยมีความสงบเกิดขึ้นในภายในเนี่ยไม่ได้อ้างอิงสิ่งภายนอกแต่ไม่ได้มาจากตาจากหูกจมูกลิน้น กายนะอย่างนี้แต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในภายในเพราะตรงนี้จึงแยกออกในแยกเวทนาที่เกิดขึ้นของกามนํำมาไว้ตรงส่วนนี้ส่วนเวทนาที่ไปเรื่องเกี่ยวเรื่องของกาบก็รวมไว้ในกาบตรงนั้นเกี่ยวกับเรื่องของรูปก็ไว้ตรงรูปตรงนั้นแต่เวทนาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกาไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปเราก็จะเหลือส่วนของสมาธินะก็เลยมาพูดตรงนี้ว่าเออมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเราจะเห็นสัดส่วนต้งางระังว่าไอ้ตอนที่พูดถึงเรื่องของประโยชน์ของกาบเนี่ยแค่ย่อหน้าเดียวและสั้นๆ ประโยชน์ของรูปนั้นก็ย่อหน้าเดียวสั้นๆแต่พอประโยชน์ของเวทนาที่เกิดจากสมาธิตรงนี้โอ้โห3ามสย่อหน้าท่านฟังแตนะ่ยาวเพราะว่าประโยชน์มันก็มีมากกว่ากันนะเราเฉลี่ยความแตกต่างตรงจุดที่ปริชาญเน้นตรงนี้แตนะ่ถ้าเรามาดูในเนื้อหาพสัสดุจะเห็นได้งี้มุมที่สองที่ต้องเข้าใจในเรื่องของการเรื่องของรูปและเรื่องของเวทนาก็คือโทษของมันนั้นะโทษของมันนะมนันะ้นโทษของกามีอะไรโอ้โหท่านฟังฟั ง, ฟงละคนลูกได้ แต่ถ้าใครได้ฟังพระสูตรนี้ก็จะคนลูกหละ ว, ว่ามันมีโทษมากแต่ถ้าใครไม่ได้ฟังก็ไปอ่านไปฟังซะนั้นว่าเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระลำเป็นไปเพราะการนั่นเดียวแลนะจึงต้องทํางานงกงกงกงกอยู่เนี่ยเช้าสายบาย่ายค่ำนะเพื่อที่จะหวังลาบหวังที่จะได้เงินได้โกพกทรับนั่นะอันนี้ก็ก็เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเพราะการเป็นเหตุตรงนี้นี่หนึ่งทตำฝั่ง คือคนที่ไปทํางานทําการงกงๆๆเนี่ยเพราะว่าเรื่องของกรรมอันนี้ก็มีแต่คนที่ไปทํางานงกงกงกเนี่ยไม่ใช่เพราะเรื่องของกรรมก็มีนะคือถ้ามีกรรมแล้วคุณจะไปทํางานอันนี้เป็นไปได้แต่ถ้าคนที่ไปทํางานอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่มาจากเรื่องของกรรมเข้าใจนะเพราะว่าคนที่มีความขยันกันแข็งขวนขวายในหน้าที่กิจการงานของตนรู้จักทําหน้าที่ในเรื่องของลูกน้องในการขยันทํางานอย่างดีที่สุดเรยรู้จักทํางานรู้จักรู้จักมาก่อนนายหลับที่หลังนาย แต่ตรงนี้เขาทํางานอย่างขยงันแข็งแกรงอาจจะเป็นเรื่องของความเปลี่ยนความพยายามที่เขามีก็ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องของกามก็ได้แต่เพระนั้นระดับของกามที่จะเกิดขึ้นในใจของคนที่ไปทํางานเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันอาจจะมีบ้างมากบ้างอาจจะมีน้อยบ้างแต่ถ้าบอกว่ามีกามกลุ่มรุมอยู่ในใจ แ, แล้วก็จะต้องไปทํางานเนบางทีก็ไม่ได้กินบางทีก็ไม่ได้นอนบางทีก็ต้องอดกินบางทีก็ต้องอดนอนบ้างนะตารากตรามอยู่อันนี้คือทุกข์ต่อแรก เป็นความทุกข์ที่เห็นได้เองเป็นโทษเนีเป็นโทษที่เห็นได้เองที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการต่อแรกแต่ตอนที่2เนี่ยคุณทํามก็หวังเงินใช่ไหมหวังจะได้โพทซับหวังที่จะได้โพกซัพย์แต่ว่าโพกซัพย์กลับไม่เกิดอย่างเงี้ยเป็นหมันงานการอะไรต่างๆที่ทําไว้มันก็กลับเสื่อมศูนย์ไปไปเป็นอย่างอื่นแล้วก็ทุกข์ใจต่อที่2อีกแต่คือถ้ามันเกิดอย่างนั้นมันอาจจะไม่เกิดก็ได้อาจจะมีอยู่ก็ได้แต่ถ้ามีเงินอะไรต่างๆแล้วเงินนั้นกลับมาศูนย์ไป เราก็ทุกต่อที่สามอีกความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้เราก็การเป็นเหตุนั่นแหละการเป็นเหตุการเป็นเครื่องก่อการเป็นเครื่องบังคับให้กระทําำในเป็นใบประกามนั่นเดียวแล้วก็เกิดขึ้นได้แต่โทษของการมยังไม่ได้มีแค่นี้ทตำฝังต้ษของกรรมที่พูดถึงในพระสูตรนี้นเช่นว่าการที่ปล้นสะดมกันการโฉบจิงวิ่งราวกันแล้วก็เราะเรื่องของกรรมการทะเลาะวิวาทกันในครอบครัวพี่น้องระดูบางทีพี่กับน้องทะเลาะกันเพราะว่ายืมเสื้อกันไปใส่ ก็มีแตนะ่บางทีพี่กับน้องกทะเลาะกันเพราะเรื่องอาหารการยินก็มนะีแม่กับพ่อทะเลาะกันแม่กับลูกกทะเลาะกันพ่อกับลูกทะเลาะกันแลนะ้ไม่ลงเส้นกันนั่นะก็เพราะเรื่องตรงนี้แหละเรื่องของกลามอย่างเดียวคือถ้าพบว่ากลางเนี่ยไม่ได้ครอบงําจิตใจอยู่แตนะ่ไม่ได้เป็นไปอานาจ ต, ต, ต่างตาต่างหูเป็นต้นเนี่ยใจก็จะมีเมตตากันนะคือหมายความว่าใจเนี่ยมันจะมีคุณธรรมอื่นๆตนในที่อยู่ข้างในใจแต่ว่า ถา้ามีการมามาครอบงำไว้เนี่ยกามมันก็จะปกปิดจิงเกอรๆหมดแตนะบางทีพ่อกับลูกก็อาจจะรักกันแนะมีใจยินดีให้กันแต่เพราะว่าเรื่องของการบางอย่างในะความสุขทั้งตาตั้งหูเนี่ยมาปิดบังเอาไว้นะ่มารยาทบ้างเรื่องของการทําตัวบ้างอะไรบ้างนั่นะก็เป็นไปได้แตนะ่ทีนี้เพื่อที่จะให้เข้าใจถึงเนื้อหาในพระสูตรก่อนนะั้นต้องฟังนะพระเจ้าก็จะอธิบายถึงว่าโทษของการเนี่ยมีเยอะมากนะในพระสูตรนี้ก็พูดไปถึง7จ็ยอหน้าด้วยกันนะนี่คือโทษของมัน นะส่วนเรื่องของรูปก็เหมือนกันนะโทษของมันก็เยอะมากนะเยอะมากยาวเป็นหลายๆย่อหน้าในขณะที่โทษของเวทนาเนะวทนาที่นี่เรากําลังพูดถึงเวทนาที่เ ก, กิดจากสมาธินะมีแค่2บรรทัดนะโทษของเวทนาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือความที่มันไม่เที่ยงนะเราจะเห็นว่าสัดส่วนมันต่างากันมากย้อนกลับมาตรงที่ประโยชน์ของมันนะข้อดีของมันข้อดีหรือวรรดอร่อยของรูปนะมีนิดเดียวนะข้อดีหรือรอร่อยของกามมีนิดเดียว ข้อดีหรือรสอร่อที่เกิดจากสมาธิหนึ่งที่เป็นเวทนาตรงนี้มีมากในขณะที่โทษของมันนะโทษของกลามมีมากโทษของรูปมีมากโทษของเวทนาที่เกิดจากสมาธิตรงนี้มีนิดเดียวแล้วนเะจะเห็นว่า ส, สัดส่วนมันต่างกันมากอันนี้พุทธเจ้าอธิบายธรรมะตามที่เหล่าปริพาโชกนั้นนะเขาชงคำถา ม, มาให้ภิกษุนะแล้วภิกษุมาถามพระพุทธเจ้าแต่จริงเวลาที่พระพุทธเจ้าจะแบ่งธรรมะเนี่ยจะแยบคลายกว่านี้ เนี่ส่วนที่เป็นการพวกเนี้ยก็จะจัดไว้ในเรื่องของเหตุเกิดทุกข์ส่วนที่เป็นรูปตรงนี้น่ยก็จะจัดไว้ในเานารนื่องของทุกข์ส่วนที่เป็นเรื่องของเวทนาตรงนี้น่ยที่เ ก, กิดจากสมาธิตงนี้น่ยก็จะจัดไว้ในเรื่องของมรรคเนี่ยเห็นว่ามัน3มอันเนี่ยมันแยกจากกันแต่ที่เอามาอธิบายให้ด้วยกันเนี่ยแปลว่าเขาถามคือบวงท่านอาจจะสงสัยว่าเอาทำไมต้องเอาการกับ ร, ร, รูปแล้วก็เวทนามารวมกันแต่ซึ่งจริงจริงพระเจ้าจะไม่ได้อธิบายจะไม่ได้จัดหมวดหมู่อย่างนี้อยู่แล้วแต่ที่พูดนี้อธิบายนี้ เพราะว่าตามคําถามที่เขาถามแต่เพระวระเจ้เนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางแเราก็ถามมาเรื่องเดียวเราก็อธิบายให้รายละเอียดถึงแต่และเรื่องเนี่ยแยกไป3อย่างสามอย่างนี้ในที่นี้ก็นะคือเรื่องรถอะไรของมันเรื่องโทษของมันแล้วก็อุบายในการที่จะนําออกจากสิ่งเหล่านั้นนะซึ่งอุบายในการนําออกนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือการที่เราเคลายความกําหนัดคลายความยึดถือนะคลายความลุ่มหลง ในกามนั้นได้กลายความกำหนัดกลายความยึดถือกลายความลุ่มหลงในรูปนั้นได้กลายความกำหนัดกลายความยึดถือกลายความลุ่มหลงในเวทนานั้นได้แต่ข้อสังเกตตรงนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าอย่างเรื่องกามเนี่ยเป็นเหต like ุของความทุกข์อันนี้ควรจะต้องละอย um ู่แล้วอันนี้ก็เข้าใจได้หรือเรื่องรูปแต่ว่าก็ยังเป็นที่ใต้ความกำหนัดได้อันนี้ก็ควรละอันนี้ก็เข้าใจได้แต่เวทนาที่ว่าเป็นส่วนของมรรค ในเป็นส่วนของสมาธิเนี่ยเอ๊ะทำไมถึงให้คลายความกําหนัดในเวทนานั้นนั้นตรงนี้แหละคือประเด็นที่น่าสนใจท่านผูฟังว่าแม้แต่สมาธินะที่มีความสุขที่เกิดจากสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยก็ลุ่มหลงได้เหมือนกันแต่เราจะเห็นได้บางคนที่ไปนั่งสมาธิตามวัดตามวาหรือว่าฝึกสมาธิมีการฝึกปฏิบัติมาแต่ว่าเอ๊ะกลับบ้านทำไมยังด่าลูกด่าผัวอยู่หรือว่าจิตใจก็ยังขึ้นๆลงๆมีความยึดตือปล่อยวางไม่ได้บ้าง แล้วก็จะเป็นปราะว่าเวลาที่เขาทําสมาธิได้ความสุขที่เกิดจากในภายในแล้วเนี่ยกลับไปรุ่มหลงยึดถือมัวเมานะ่ยติดพันในความสุขที่เกิดจากสมาธินั่นแหละถ้าเป็นอย่างนี้นะ่ยวันหลังถ้ามันไม่ได้เงี้ยเรากลับมาบ้านแเราอาจจะมีเสียงกระตุกกระโกรมนั่งสมาธิไม่ได้ฉันจะสวดมนต์ทำไมเปิดเปิดทีวีนะ่ยมันจะเครือนเะน่ยเพราะว่าไปยึดในความสุขที่เคยได้จากสมาธิเนี่ยถ้าเราไปยึดอย่างงั้นปุ๊บนี่มาไหลปุ๊บเนี่ย มันจะเป็นโทษทันทีแต่แล้วโทษนี้ก็ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้แล้วก็แก้ได้เหมือนกันด้วยการละความกำหนัดความพอใจความรุ่มหลงลความที่เราจะไปยึดถือมันในเรื่องของเวทนานั้นๆจะได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องกามเรื่องของรูปหรือว่าเรื่องของเวทนาที่เป็นสมาธิตรงนี้ไอ้อุปทานคือความยึดถือเนี่ยมันเข้าไปได้หมดละชันทาคือความพอใจราคะคือความกำหนัดมันเข้าไปจับได้หมด ของที่เป็นภายนอกอย่างรูปมันก็เข้าไปจับได้ของที่เป็นภายในอย่างเรื่องของกามมันเป็นภายในแต่ไม่ดีด้วยมันก็เข้าไปจับได้ของที่เป็นภายในที่เป็นส่วนแห่งมรรคที่ว่ามันจะดีจะดีในเรื่องของสมาธิมันก็เข้าไปจับเวทนาที่เกิดจากสมาธิตรงนั้นได้แล้วมันจับยึดได้หมดมันอาศัยอะไรจึงจับยึดได้ขันธ์ห้าเนี่ยจำฝั ง, งถ้ามีขันธ์หเกิดขึ้นในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งตรงนี้มันก็ยึดกันหน้าตรงนั้นดูสิอย่างสมาธิอย่างเนี้ย เนีเป็นโองแห่งมรรคแต่ถ้ามีเวทนาที่เกิดขึ้นจากสมาธิมันก็ยึดตรงเวทนานั้นหนาะรูปรูปเป็นเรื่องของการตั้งห้อันนี้มันจับยึดได้แล้วแตนะ่ประว่าความยึดถือคืออุปาทานเนี่ยอย่างนง้มันก็เกิดที่ขันตังห้าเท่านั้นแตนะ่มันไม่เกิดในที่อื่นเพราะนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าธรรมะของบรชเจ้าเนี่ยสอดคล้องกันแตนะ่สอดคล้องกันในเรื่องที่แม้ว่าธรรมะเองหนาะตัวธรรมะเองที่เปรียบสเสมือนด้วยพวงแพรเนี่ยพอเราไปถึงฝั่งแล้วหนาะก็ต้องละนาะวาง นะปล่อยทิ้งไปท่านพระสารีบุตรบริญญนะิพานไปแล้วผู้เช่าก็ยืนยันกับท่านพระอา น, นุ์ว่าท่านก็ไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาบิมุติไปด้วยตัวพระองค์เองปริญญานิพานที่ใต้ต้นสาระคู่แตนะ่ก็ไม่ได้เอาศีลไม่ได้เอาสมาธิไม่ได้เอาปัญญาไปด้วยแตนะ่เพราะว่านี่เป็นของโลกแล้วก็อยู่ในโลกนี่แหละแล้วพออยู่ในโลกแล้วเป็นของโลกแตนะ่ที่ว่าไว้สามารถที่จะข้ามผ่านให้ข้ามผ่านเหนือโลกไปได้เพราะเราเข้าใจธรรมะฟังธรรมะเนี่ย ก็เพื่อที่จะให้มีความพ้นนำไม่ตกอยู่ในอานาจของสิ่งที่เป็นโลกโลกของสิ่งที่เป็นไปในทางตางทางหูเรื่องของกามเนี่ยถ้ามันจะมารัดเริงเราแต่มันจะทําไม่ได้เลยถ้าจิตใจเรามีธรรมะเนี่ยเป็นเหมือนกับพ่วงแพรเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่ทำให้เราเนี่ยผ่านพ้นจากการครอบงำครอบคลุมของมันและซึ่งการครอบงำครอบครุมของไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นกามสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อนเนื่องอันนี้เราต้องระวังรพระนริยเจ้าเนี่ย จึงอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยหนังกำ ม, มีทุกโทษอย่างไรอธิบายไว้มากรูปมีทุกโทษอย่างไรอธิบายไว้มากหนัประโยชน์ของมันมีนิดเดียวหนังเราจึงจะต้องพูดถึงเรื่องของสมาธินังก็อธิบายไว้เยอะตรงนี้หนังว่าจเจ้าสมาธิเนี่ยมาเป็นอุบายในการที่จะคลายกำหนัดจากกามคลายกำหนัดจากรูปได้อย่างไรอย่างน้อยไปยึดถือตรงเวทนาที่เกิดจากสมาธิเนี่ยมันยังดีกว่าอย่างน้อยการที่เรามีความสุขที่เกิดจากสมาธิหนัาการยึดถือตรงนี้หนังจะว่าดีกว่าก็ไม่ได้หรอก แต่มันยังประหนี่กว่าต่างกันนะเพราะว่าการยึดถือเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันไม่ดีทั้งสิ้นจะมายึดถือในสิ่งที่หยาบจะมายึดถือในสิ่งที่ละเอียดก็ไม่ดีทั้งนั้นแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นทางที่จะทําให้เราเห็นความละเอียดลึกซึ้งขึ้นมาได้เป็นทางที่จะทำให้เราเห็นตามที่เป็นจริงได้แล้วก็มันในการที่จะปฏิบัติตามอริยมังมีองค์8ทําสมาธิบ้างรักษาศีลบ้างอย่างนี้ไปต้นเนื้อหาในเรื่องของพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายที่ชื่อพระสูตรว่ามหาทุก กาสูตรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องของกาม ร, รูปแล้วก็เวทน า, าซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตอบตามที่บริพาโชคต้นนั้นเขาถามเรื่องการบัญญัติธรมะตรงนี้อย่างจริงๆเรื่องของกามก็ไปบัญญัติอยู่ในหมวดของเหตุแห่งทุกข์นนคือเรื่องของตัณหาเรื่องของรูปแล้วก็ไปบัญญัติอยู่ในส่วนของความทุกข์จำนวนก่นทั้ง5เรื่องของเวทนาตรงนี้แต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ในเรื่องของทุกข์นั่นแหละแต่พูดถึงเฉพาะเจาะจงในเรื่องของ เวทนาที่เกิดจากสมาธิเพริษัสมาธิตรงนี้อยู่ในส่วนของมักแต่เพื่อที่จะอธิบายให้ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเขาถามอย่างนี้ก็ตอบอย่างนี้แล้วมันจะได้ชัดเจนกันไปดัในวันนี้ครัพระเจ้าพระมหาภบูร์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนนายโศกก็มาทำหน้าที่ทำฟังในการที่จะทําสิ่งที่ได้ให้ฟังนั้นเนี่ยมีความจําแจงแต่บอกว่ายังมีคําถามหรือข้อเสนอแนะใดๆที่ต้องการติดต่อทางรายการได้ส่งมาได้โดยการส่งเป็นจดหมายหรือบริษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนนายโศ ในที่ 1, 8, นนนนหนึ่งหมู่แปดตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวั ด, ดอุดรธานีหรือว่าเขียนเป็นข้อความก็ได้แถ้าใครสะดวกทางอินเทอร์เน็ตก็ไปที่เว็บไซต์ puredma.com p u r e d h a m m a จำไดปะ